ฟังพระเจ้าทรงสั่งสอนต่อไปว่าผู้ทรงปัญญาย่อมระทำจิตให้ตรงเหมือนอย่างข่างสอนหนักลูกสอนจะจิจใจตนเองว่าที่ว่ารักษายากทำยากนั้นไม่ได้หมายความว่ารักษาไม่ได้ห้ามมิได้ จิตเป็นสิ่งที่รักษาได้ห้ามได้แต่ถ้าหากว่าไม่ทรงปัญญาคือประมาทปัญญาทิ้งปัญญาเสียไม่เอาปัญญามาทรงไว้มาเพ่งปินิพิจารณา หรือกล่าวอีกว่าขาดสติจึงจะรักษายากห้ามยากแต่ถ้าทรงปัญญาคือว่าจับเอาปัญญาขึ้นมาทรงไว้คือมาพินิษพิจารณามีสติ ระลึกสำนึกอยู่ดูจิตนี้เองว่าเป็นอย่างไรและดูเรื่องที่จิตยึดถือว่าเป็นอย่างไรตั้งจิตนี้ไว้ให้เป็นกลางมากที่สุดเท่าที่จะมากได้ บอกจิตว่าจะเพื่อรับรองในสิ่งที่ยึดถือนั้นว่าน่าชอบหรือน่าชังเอามาเพ่งพินิษ์พิจารณาดูกันก่อนแล้วก็จับพินิษพิจารณาดูก็ย่อมจะเห็นได้ว่า จิตประกอบด้วยตันหาจิตประกอบด้วยราคะโลภะจิตประกอบด้วยโทสะจิตประกอบด้วยโมหะเป็นจิตที่ดิ้นร น, นกัดแกงกระสับกระสายไปตามกิเลสก็โยก ก็ย่อมจะเห็นจิตตามเป็นจริงว่าเป็นเช่นนี้เป็นเช่นนี้แล้วก็เพ่งพินิษ์พิจรนานรณาดูว่าจิตที่เป็นเช่นนี้นั้นเป็นอย่างไรเป็นสุขหรือเป็นทุกข์มีโทษหรือไม่มีโทษก็ย่อมจะรู้ได้ กิเลสที่ถูกจิตเพ่งดูด้วยปัญญากับสติดังนี้กิเลสย่อมจะอ่อนกำลังลงเ พ, เพราะว่ากิเลสนี้ไม่ชอบให้ดูไม่ชอบให้รู้ไม่ชอบให้เห็นชอบแต่ที่จะแวงตัวอยู่ จะนั้นหากนำจิตเข้ามาเพ่งดูดูให้เห็นดูให้รู้กิเลสก็จะปรากฏสัญชาติของกิเลสออกมาเองพร้อมทั้งผลที่เป็นตัวความทุกข์ ตัวดูตัวรู้ตัวเห็นนี่แหละเป็นตัวเริ่มต้นของปัญญาจะได้ปัญญาขึ้นมาพร้อมทั้งสติดีขึ้นชัดขึ้นและเมื่อเป็นดังนี้แล้วกิเลสก็จะอ่อนกำลังที่จะรังควานที่จะรบกวน การที่จะมาปฏิบัติทำจิตให้ตรงก็สะดวกขึ้นสติปฐานของพระพุทธเจ้าก็เป็นวิธีปฏิบัติทำจิตให้ตรงนั่นเองฉะนั้นหากได้กำราบจิตของตน ให้สงบจากอารมณ์มริเลสที่จะชักนำให้คดเคี้ยวเลี้ยวรถแต่ให้กลับมาสู่ทางตรงได้และมาจับปฏิบัติธรรมสติปัฏฐานอันเป็นเครื่องดัดจิตให้ตรง ย่อมสามารถจะปฏิบัติได้ดีขึ้นในปัทภะคือข้อแรกที่จัดสอนให้กาหนดลมให้ใจเข้าออกมีสติให้ใจเข้ามีสติให้ใจออกให้ใจเข้าออกยาวก็รู้ให้ใจเข้าออกสั้นก็รู้ ได้มีอธิบายตั้งแต่ในคำพีเบื้องต้นว่าเมื่อได้ตั้งสติกำหนดให้รู้ลมให้ใจดังนี้ชัดเจนคือเข้าออก ยาวหรือสั้งตามที่เป็นไปจริงก็เป็นอันว่าจิตได้รวมเข้ามาสู่เครื่องดัดให้ตรงและเมื่อรวมเข้ามาได้ ก็จะเริ่มได้ฉันทะคือความพอใจและด้วยอำนาจแห่งคือความพอใจลมหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นก็จะละเอียดเข้า พอจากนี้ก็จะได้ปราโมทคือความบันเทิงเมื่อได้ปราโมทคือความบันเทิงลมหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นก็จะละเอียดยิ่งขึ้นไปอีกจนถึงจิตนี้กลับจาก ลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกอุเบกขาคือความเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ก็ตั้งขึ้นในภายในจิตก็สงบอยู่ในภายในอันนับว่า เป็นขั้นของการปฏิบัติที่เป็นไปเองบุคคลผู้ปฏิบัติให้ตั้งสติกำหนดประคองจิตอยู่ใน ลมหายใจเข้าลมหายใจออกยาวหรือสั้นอันหมายความว่าลมหายใจเข้าออกยาวหรือสั้นนั้นปรากฏอยู่ในตัวสติที่กำหนดในจิตปรากฏชัดว่า ให้ใจเข้าให้ใจออกปรากฏชัดว่ายาวหรือสั้นตามที่เป็นไปจริงเหมือนอย่างมองเห็นเป็นตัวเป็นตนชัดเจนรวมเข้ามาได้ดังนี้ก็จะได้ชันทะความพอใจ ได้ประโม o ตคือความบันเทิงอันทําให้ลมให้ใจเข้าออกละเอียดเข้าละเอียดเข้าจนถึงจิตกลับจากลมให้ใจเข้าลมให้ใจออกอุเบกขาคือความเข้าไปเพ่งเฉยอยู่ในภายในก็ตั้งขึ้นสงบอยู่ในภายใน คันของการปฏิบัติย่อมเป็นไปเองดังนี้นี้เป็นวิธีดัดจิตอันจะทำให้จิตตรงเหมือนในช่างดัดลูกศร